เจริญพรทุกท่านไม่ได้มาเทศที่นี่สองเดือนะถ้าเดือนนี้เว้นอีกก็จะเดือนหน้าเขาไม่ได้ม า, าเดือนเมษาที่นี่ก็ใช้พื้นที่จัดงานสงกรานดูหน้าพวกเราแล้วนะมันไม่ใช่ว่าต้องเจอบ่อยนักหรอกส่วนใหญ่ก็ภาวนาเป็นรู้หลักของการปฏิบัตินะ้ว ถ้าเรารู้หลักแล้วมันไม่ยากอะไรหรอกถ้าไม่รู้หลักเนะี่ยเสียเวลาำเวลามากลำบากเมื่อกี้ก็มีโยมผูคนหนึ่งอายุ82บอกภาวนาผิดมาตั้ง40ปีเพ่งอย่างเดียวเลยมาฟังหลวงพ่อเทสบอกฟังหลวงพ่อเทศเลยรู้หลักถ้รารู้หลักแล้วมไม่ยากอะไรนะ ใ, นใจก็คลายตัวออก ก็เห็นจิตใจมันทำงานบอกแต่ก่อนก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตให้ใช้จิตดูจิตก็เลยไปจ้องอยู่ที่จิตเฝ้าดูไม่ให้เคลื่อนคลาดเคลื่อนไปจากสายตาเลยมันกลายเป็นการเพ่งจิตไม่ใช่ดูจิตหรอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนสั้นๆอย่างหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลท่านก็บอกให้ดูจิตก็บอกเท่านั้น เราก็มีหน้าที่มาดูคิดว่าต้องดูไม่ให้คลาดสายตากลายเป็นจ้องเฝ้าเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตายังดีว่าได้ไปถามท่านเร็วใช้เวลาไปจ้องจิตอยู่สามเดือนแล้วไปหาท่านอีกรอบหนึ่งไปบอกท่านว่าเห็นจิตแล้วละ่ะท่านถามว่าจิตเป็นยังไงผมว่าจิตมันทํางานได้สารพัดเลยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะผมดูไปเปจะรักษามันไม่ได้แล้วตั้งเด่นอย่างนี้เลย ท่านบอกอย่างนั้นมันแทรกแซงแทรกแซงอากาศของจิตแล้วไปแทรกแซงจิตมันต้องคิดนึกปรุงแต่งเราจะไปบังคับไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งให้มันนิ่งให้ไปดูใหม่ดูผิดครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะสอนสั้นนิดเดียวกลับมาดูดีว่าท่านบอกให้ว่าอย่าไปแทรกแซงจิตนะเลยปล่อยให้จิตเขาทํางาน จิตเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงชั่วเดี๋ยวมันก็ปรุงสุขเดี๋ยวมันก็ปรุงทุกข์เดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนจิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็เห็นจิตมันทํางานสุดท้ายปัญญามันเกิดนั่นเป็นเห็นจิตมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองมันสุขเหรอเราสั่งมันก็ไม่ได้มันจะทุกข์เราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะดีนะเราสั่งให้ดีมันก็ไม่ดี ดีแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะมันจะชั่วเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงชั่วแล้วไล่ก็ไม่ไปอย่างโมโหอยู่นะอยากให้หายโมโหเร็วๆไม่ไปทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยพอดูแล้วก็เห็นความจริงเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ซ้ําแล้วซ้ํำอีกดูอยู่นั้นนะมันมีหน้าที่ดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีบางคนก็ดูนานกว่า น, นั้นบางคนก็สั้นหน่อย แล้วแต่ว่าอินทรีย์เราแก่กล้าแค่ไหนมันอยู่ที่ว่านักปฏิบัติเนี่ยก็มีจำนวนพอสมควรนะแต่ว่ามันอยู่ตรงที่ว่าพอนาผิดไปเพ่งไปจ้องเพ่งไปจ้องนิ่งเอาไว้เฉยๆไปเพ่งไปจ้องให้จิตมันนิ่งหรือบังคับร่างกายบังคับจิตใจอะไ้ไม่ทาให้เกิดปัญญา ต้องปล่อยให้กายมันทางานแล้วมีสติตามรู้ไป <ait. S 1> ก็เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปล่อยให้จิตมันทํางานมีสติตามรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เห็นสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงมันแปลกปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้าดูได้อย่างนี้นะนก็ใช้เวลาไม่นานหรอกแล้วเราภาวนาถึงจุดหนึ่งจิตมันจะปิ๊งปิ๊งขึ้นมานะรู้ไม่มิดตัวเราตัวเราหายไปแนละ้ว นักปฏิบัติสมัยก่อนนะติดสมถะกันแทบทั้งนั้นเลยทำแต่สมาธิสงบนิ่งเฉยเลยหวังว่าทำสมาธิมากๆแล้วจะหลุดพ้นจะเกิดตัญญาไม่เกิดหรอกนี่หลวงพ่อเห็นเว็บของตึกพระลบันเลยนะตึกไปเอาที่หลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆที่ใจพบสัมภผัสดวงตาเอามาลงนะลองไปดูสิมีพยานแล้วนะ ก่อนเราพูดบางคนต้องบอกแต่งเองเปล่าว่าหลวงตาจะมาพูดเหรอไม่มีหลักฐานนะแล้วถอดมาคำต่อคำเลยถามว่าถ้ามีศีลมีสมาธิแล้วมันจะมีปัญญาไหมไม่มีคนราเรื่องกันแล้วทำไงจะเกิดปัญญาก็ต้องเดินปัญญาดิต้องพิจรนารนณะาเนี่ยไม่ใช่เบื้องต้นมันก็คิดเอานะสำหรับคนที่ติดความสงบต้องคิดเอา เบื้องปลายลการพิจารณาพิจารณาเนีน่ยไม่ได้แปลว่าคิดละนะหลวงพ่อพุทธท่านอธิบายดีนพิจารณาคือตัววิจารณ์ใจมันเคล้าเคลียรเรียนรู้อยู่นั่ะเรียกว่าพิจารณาใจมันเคล้าเคลียรเรียนรู้กายอยู่เรียพิจารณ์กายเรียนรู้ความจริงไปเมื่อสักสองสามอาทิตย์นี้หลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนที่โรงพยาบาลจุฬาท่านเป็นมะเร็งรอบสองท่า น, นไม่ได้หวันไหวอะไรเลย หลวงพ่อเข้าไปไม่ได้ไปให้กําลังใจท่านนะไปกราบเข้าไปท่านปิดปิดผ้าให้ยด็กตนคนเป็นบัตรนะปิดไว้ท่านยังพูดได้เห็นหน้าหลวงพ่อท่านกยกนิ้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วะคนที่จะสอนเจริญสติเจริญปัญญามีคนเดียวแหละอีกคนหนึ่งนอนอยู่นี่นอน สอนไม่ได้แล้วอท่านก็บอกเลยว่าท่านท่านเขียนบันทึกนะเห็นไหมท่านเขียนบันทึกคนปฏิบัตินะไม่ขึ้นวิปัสสนาสิเยอะเลยกระทั่งพรนะน่ะไม่ค่อยขึ้นวิปัสสนาโยมที่มาเรียนโยมแก่ๆบางคนยังขึ้นวิปัสสนาได้ะส่วนใหญ่ทําไม่เป็นเอย่างก็จะทําสมาธิให้จิตมันนิ่งให้จิตมันสงบจิตมันนิ่งจิตมันสงบก็ได้พักผ่อน พักผ่อนมากๆมันจะร่ำรวยได้ยังไงต้องขยันทำมาหากินถึงจะรวยทำมาหากินอย่างเดียวไม่รู้จักพักผ่อนนะก็อยู่ไม่ไหวการเจริญปัญญาเหมือนกันเราอยากมีปัญญาอยากพ้นทุกข์เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยปัญญาต้องหัดเจริญปัญญาแต่เจริญปัญญารวดไปเลยมันเหนื่อยก็ทําสมถะพักผ่อนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่เราจะทําเนี่ยหลวงพ่อสอนสอนนะบางคนฟังแรกๆงง พูดอะไรก็รู้พระองนี้พูดฟังยากอย่าคิดมากไม่ยากหรอกถ้าคิดมากเรายากนะ ย, ยากอะไรรู้รู้สึกตัวขึ้นมาดูกายมาทนทำงานดูใจมันทำงานดูได้ทุกค น, หนแหละจะไม่ยอมดูส่วนมากเราฝึกกันผิดพลาดไปเพ่งไปจ้องหลวงพ่อจพายกตัวอย่างให้ดูไหมทุกคนดูลมหายใจ กำลังจิตรู้ลมหายใจซิเอาพอแล้วลืมตาให้นมารู้สึกตัวซิใส่ใจไหมว่าเบลเบลซึมซึมรู้สึกไหมเอาใหม่ต่อไปนี้รู้ลมหายใจไม่ใช่รู้ลมนะต่อไปนี้รู้ร่างกายที่หายใจรู้สึกทั้งตัวเห็นร่างกายตัวเนี้ยทั้งตัวเนี้ยกําลังหายใจอยู่ลองดูร่างกายหายใจซิ ลองดูอ้าพอแล้วเห็นไหมว่าไม่ค่อยซึมรู้สึกตัวไหมเนี่ยอานาคานสตินะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจอานาคานสตินะฝึกอยู่22ปีมันพลิกแปลงได้สารพัดเลยพวกเราชอบไปดูลมหายใจพระเจ้าท่านสอนดอกดูขรพิสูทั้งหลาย ให้เธอคูบันลังนั่งขัตสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวรู้ว่าอะไรหายใจร่างกายเป็นหายใจรู้ว่าร่างกายเป็นหายใจนะร่างกายเป็นหายใจเราเป็นแค่คนดูมันนะใจมันจะไม่เข้าไปเพ่งนะใจมันจะแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเป็นสมาธิคนละชนิดนะ แต่ถ้าเราไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจจิตเราจะไปรวมที่ลมหายใจนิ่งอยู่กับลมหายใจในการเพ่งอารมณ์เป็นสมาธิที่เรียกว่าอารมณูวริชานนะถ้าจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจนะมันก็จะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกลักขณูวริชานจะเห็นไตรลักษณ์คือเห็นอะไรเห็นไอตัวเนี้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันหายใจมันไม่เที่ยงเห็นไอตัวเนี้มันเป็นอนนะัตตา ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าข้าต่อไปทุกคนยิ้มยิ้มสี้ยิม้มเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมนั่งพัดอยู่เห็นร่างกายพักไหมไม่ไปเพ่งลงไปที่ร่างกายนะเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกถ้าทําได้อย่างนี้นะไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานเะยจเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ใจ กายกับใจเป็นคนรอนกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเราจะรู้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรายืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ชัดว่าอะไรว่าร่างกายยืนอยู่ไม่ใช่เรายืนนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่อะไรนั่งก็ร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูะหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกนะรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจน รู้อยู่อยู่รู้ไปสบายสบายจะเห็นกายกระใจเป็นคนละอันถ้าเห็นกายกระใจเป็นคนละนมากๆเข้านะถึงวันหนึ่งมันก็จะเห็นไตรลัก์ร่างกายก็สแสดงไตรักใจที่เป็นคนดูก็สแสดงไตรลักอันนี้สำหรับคนที่ถนัดดูกายถ้าถนัดดูความรู้สึกแล้วก็หัดดูความรู้สึกไปเลยความรู้สึกนะั้นเกิดขึ้นที่ใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนเหมือนที่ร่างกายหายใจตลอดเวลานั่นแหละ ความรู้สึกก็เกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขณะ น, นี้ถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยก็แค่นั้นเองเห็นไหมความรู้สึกมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราลาเลยที่จะรู้เราไปที่หัดรู้ด้ืยสุขขึ้นมาก็รู้นะทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะหรือว่าโบลบโกรดหลงขึ้นมาก็รู้รู้ง่ายๆนะดูพระพีสูตทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะ จิตมันมีโทสะขึ้นมารู้ว่ามันโกรธจิตมันมีราคะขึ้นมารู้ว่ามันโลภขึ้นมามันมีราคะขึ้นมาจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านจิตมันหดหูรู้ว่ามันหดหูจิตมันลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัยถ้าหารู้ไปเรื่ความรู้สึกมันเกิดอยู่ตลอดเวลานของเราจิตของเราปกตินะถ้าไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขก็ทุกข์ก็เฉยๆนี่กลุ่มหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ดีก็ชั่วไม่ก็เฉยๆไม่ดีไม่ชั่ว เฉยๆเนี่ยเกิดบ่อยๆนะอย่างเวลาที่ตาเรามองเห็นนะขณะที่ตาเห็นนะเฉยๆไม่ดีไม่ชั่วหรอกมันจะมาดีมาชั่วต้องส่งสัญญาณเข้ามาทํางานที่ใจดีชั่วเกิดที่ใจเท่านั้นเองเพราะนั้นจิตที่ออกรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่มีดีมีชั่วนะเป็นอุเบกขาทั้งหมดเลยจิตพวกนั้นแต่จิตที่ส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วเนี่ยมาทํางานนะช่วงแรกๆก็ยังเป็นกลางๆอยู่ไม่ดีไม่ชั่วหรอก แต่ตรงที่มันรู้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วเนี่ยมันให้ค่าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วที่ใจนะงั้นจิตก็ไม่ใช่ว่าจะดีตลอดชั่วตลอดนะบางครั้งก็ฉฉเฉยๆเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ่ยจิตพระอรหันต์นะก็จะมีวิบากจิตเหมือนที่พวกเรามีจิตที่เป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วก็มีนะอยาตามองเห็นรูปจิตที่เห็นรูปเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วจิตหมาเห็นรูปก็ไม่ดีไม่ชั่วเหมือนกันหมดเลย นะจิตเทวดาจิตเปรดจิตอะไรเวลาเห็นรูปไม่ดีไม่ชัว่วเหมือนนี้หมดจะดีจะชัว่วเข้ามาที่ใจแล้วเนะนี่ยเราหัดรู้หัดดูไปสบายๆดูเล่นๆไปนะอย่าซีเรียสการภาวนาห้ามซีเรียสนะถ้าซีเรียสเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรู้ทันทีเลยว่าจิตเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศล น, นียจะไม่เครียดเพราะฉะั้นถ้าเราภาวนาแล้วจิตเครียดปึ๊กขึ้นมานะให้รู้เลยจิตมีโทสะแล้ความเครียดนะความแน่นๆอึดอัดเนี่ย เกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะนะนั้นถ้าเราภาวนาปุ๊บแน่นปับ๊บหยุดสั ก, ก่อนทําผิดแล้วอยาขยันนะรู้สึกตัวใหม่มาเห็นร่างกายหายใจเอาใหม่นะมาเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เอาใหม่มาเห็นรอบโกรธหลงเอาใหมนะ่รู้สึกเอาใหม่ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขนะอยวไปพยายามแก้ไขอย่างบางวันเราภาวนานะจิตมันมืดหมัวไปหมดเลยกลุ้มใจทํายังไงจะหายมัวเคยเป็นไหม ทำไงจาเบลอไปหมดนะทาไงจะรู้ชัดไม่ต้องทําอะไรมัวรั่วมัวเบลอรู้ว่าเบลอไม่ต้องชัดหรอกนะถ้ารู้อย่างเป็นกลางได้นะจะชัดปิ้งขึ้นมาในจันนาทีนั้นเลยหลงพ่าบวชนะพรรษาที่สองพรรษาที่สองนะภาวนาบวชได้ปีกว่าๆภาวนาใจมั้ใสเลยนะทักันแล้วใจมใสสว่างนานๆนนไปนะมันหมองๆ ม, มันมองๆไปหน่อยเดียวนะทนไม่ได้นะ หาทางแก้แก้อย่างง้อแก้อย่างนี้นะใสพอใจพอใจจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่สว่างสบายอย่างนี้แหละนี่แหละว่างสว่างบริสุทธินะ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างสุดท้ายมันก็มองอีกทําไมมันแต่งมันแต่งมองได้แสดงว่าตรงที่ใสเนี่ยก็แต่งใสขึ้นมาไม่ใช่ของจริงเนี่ยอย่าหลงกล น, นะถูกมันหลอกะตอนนี้พอมอง อ๋มองใจไม่ชอบรั้วไม่ชอบง่ายแค่นี้เองเพราใจเป็นกลางนะตั้งแต่นั้นไม่มองอีกแล้วนียมันรั้วมองนี่หลอกเราไม่ได้แล้วนะใจก็สว่างสวัยสว่างสวัยเนี่ยเราเห็นมาตรงที่มันมองมาทิงแล้วตรงที่มันมองกับมันสว่างมองก็สว่างมองก็ปรุงแต่งสว่างก็แต่งไอ้ใจที่สว่างนี่ยัแต่งอีกนะไม่หลงกลมันนะไม่ใช่ไปแต่งสว่างหลวงปู่ดินย์เคยบอกหลวงพ่อนะครับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ บอกว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่คือไปรักษาจิตเอาไว้ปล่อยไม่ได้รักษาไมไปเอาไปเอาดีไปเอาดีไปเอาสุขเอาสงบเอาสว่างสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งพาอาศัยให้เห็นความจริงเข้าไปเรืเรามีสติมีปัญญานะเรียนรู้ไปเลยจิตสว่างก็รู้จิตมองก็รู้สุดท้ายมาเห็นจิตทุกชนิดน่าหนเกิดเราก็ดับไปจิตทุกชนิดอะบังคับไม่ได้นี่หัดดูไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เห็นนะ ยากอะไรไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะมีคนไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะเมื่อเวันศุกร์มีคนไม่มากสักครึ่งห้องครึ่งห้องกว่าะหลวงพ่อไม่สบายแนละออกมาเทศรอบใสรอบเดียวไม่มีเสียงออกมานั่งดูทฤษฎีอะไรนะแต่ละคนนะมันสดชื่นเบิก บ, บานคงไม่ใช่สดชื่นว่าได้ฟังเทศษฎรอบเดียวหอนะอันะสดชื่นนะ ภาวนาเป็นเย่างขึ้นมานะมันมีความสุขสดชื่นดูแต่ละคนนะแปลว์ปลวเหมือนเราดูทองฟ้าจำลองทำไมต้องทองฟ้าจำลองทองฟ้าจริงดูอะไรไม่เห็นแล้วมีแต่ขี้ฝุ่นนะดาวเหมือนดวงดาวระยิบระยับเลยนะใจของเราแต่ละคนเรารู้สึกไหมใจเราเดี๋ยวนี้เหมือนดาวระยิบระยับขึ้นมานะไม่ใช่ใจมืดใจบอดอย่างแต่ก่อนแล้วเราหัดไปหัดไปเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองแล้ว แว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใครเรียนกับหลวงพ่อมาแล้วเกินหกเดือนมีไหมในห้องนี้ยกมือสิพวกที่เกินหกเดือนเนี่ยหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไหมใครเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมที่เรียนมาหรือใครไม่เห็นว่าเปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่ไม่เห็นว่าเปลี่ยนอะไรเลยมาเป็นปีๆแล้วแนะนํานะไปเรียนที่อื่นซะแสดงว่าไม่ถูกจริตเรียนอย่างนี้ไม่รู้เรื่อง ถ้าเรียนรู้เรื่องนะในเวลาอันสั้นเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วตัวเองก็รู้ด้วยตัวเองเที่วินอยู่ชนด้วยด้วยตัวเองคนภาวนาเป็นเต็มบ้านเต็มเมืองตอนเนี้ยนะแค่ฟังซีดีมีมีคนหนึ่งส่งเันบ้างหลวงพ่อเป็นเทศที่ไหนจําไม่ได้แล้วเคยฟังซีดีเดือนเดียวนะเดือนเดียวแยกขันได้บอกเขารู้แล้วว่าขันมันแยกได้เขาเห็นแล้วว่าขันมันทํางานได้เองแล้วต่อไปนี้ผมจะต้องทําอะไรครับ บอกโอ้โหนี่แหละมันไม่จบก็ตรงที่มันคิดจะทํานี่แหละก็เห็นขันมันแสดงใจรักก็ดูมันสิดูไปดูจนใจมันเข้าใจความจริงยอมรับความจริงแะขันมันก็เปลี่ยนใจรักถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันก็หลุดไปะเป็นลําดับลําดับไปเบื้องต้นก็ได้โสดาเห็นว่าตัวเราไม่มีะเบื้องปลายก็เห็นว่าตัวที่มีนั้นมีแต่ตัวทุกข์เห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะดูเข้าไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมาไม่ยากอะไรหรอก มันยากตรงที่เราคิดว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกคิดไหมตื่นนอนมานักปฏิบัติคิดไหมวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีจะเดินที่ไหนดีไปนั่งที่ไหนดีนั่งวันนี้เราจะนั่งแบบไหนนั่งขยับมือดีหรือทําอะไรดีน <c oughs> คิดจะทําแต่ห้ามมันไม่ได้หรอกเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละจนวันหนึ่งมันฉลาดนะหายโง่ ฝึกซะจนหายโง่ไม่มีอย่างอื่นหรอกเรียรู้ความจริงนละ้วทำอะไรไม่ได้หน้าที่เราก็คือรักษาศีลไว้รักษาศีลห้านะถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าด้วยชีวิตได้ชาตินี้เกิดไม่ได้ตรรมานะชาติต่อไปได้ง่ายมากเลยจะได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าใจมันเข้มแข็งมากเลยของเรารักษาชีวิต นะยอมสละศินเพื่อรักษาชีวิตนะบ้านเมืองถึงได้เป็นอย่างนี้นะคนไม่มีศินมีธรรมนะแล้วคนสมัยก่อนเขาทําความผิดเลยถูกจับไดนะ้เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องหาราชีรีหรือไม่ก็ลาออกอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะนักการเมืองหน้าบ้างบางนะสมัยก่อนเสนอยติอะไรไม่ผ่านออกแล้ว บางทีสสเสนอนะรัฐบาลไม่เห็นด้วยรัฐบาลค้านแต่สสให้ผ่านรัฐบาลลาออกอย่างนั้นก็มีนะสมัยในควงอภัยวงศ์มีกฎหมายปักป้ายข้าวเหนียวบอกสินค้าถ้าขึ้นราคาตามใจชอบชาวบ้านเดือดร้อนให้สินค้าทุกชนิดต้องปักป้ายกระทั่งขายข้าวเหนียวเป็นกระสอบนะที่แบ่งขายเป็นลิตรต้องติดป้ายหลิตรเท่านี้1กิโลเท่านี้หนึ่งกระสอบเท่านี้อะไรอย่างนี้ ในควงเป็นนายหมบไม่รู้จะปฏิบัติยังไงจะเอาตำรวจที่ไหนไปคุมไม่มีคนไปคุมนนะไม่รู้จะปฏิบัติไม่ได้หรอกออกกฎหมายมาแล้วต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ลาออกแค่นี้ออกแนละ้วคนแต่ละยุคไม่เหมือนกันหรอกเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะท่านก็พูดออกมาให้ฟังปะโมตต่อไปบ้านเมืองมันจะลำบากนะ สัตว์นรกมันขึ้นมาเกิดเยอะใช่ไหมอย่างเงี้สัตว์นรกมันขึ้นมาเกิดเยอะก็คนมีศีลมีธรรมมันมากเนะี่ยแสงมันออกลัทธิมีมัออกสัตว์นรกจะขึ้นจากนรกมามันเห็นรัศมีอ น, นี้จับมาไว้ก่อนเลยก็เลยพาไปมาเกิดที่นี่ะวิธีดูว่าเรามาจากนรกหรือเปล่าดูใจของเราใจพื้นเดิมของเรานะคนไหนขี้โมโหยกมือสิสาธุ <laughs> สิทธิ์เก่าแต่เรายังดีนะเราเข็ดหลับไปแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วเราพัฒนาบางคนมันไม่พัฒนาแล้วมันเตรียมลงไปอีกเราก็ฝึกของเรานะรักษาสีล5ห้าไว้สีห้าจำเป็นมากเลยนะถ้าสีลด่งพลอยสมาธิไม่มีหรอกสมาธิมีก็จะมีชั่วคราวด้วยอำนาจสมาธิเก่าๆที่เคยฝึกอย่างบางคนนะ มันไม่มีศีลนะบทเป็นพระนะแต่งตัวเป็นพระเนะี่ไม่มีศีลนะสมาธิค่อยๆเสื่อมขนาดไดเอารูปไปฌานนะดีเสื่อมหมดสภาพไปเรื่อยๆ ถ, ถ้านานๆก็มาฟื้นขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็เสื่อมอีกนะนั่นศีลจาเป็นต้องรักษานะถ้ารักษาได้เข้มแข็งนะโอกาสข้างหน้าเราจะดีกว่านี้รักษาศีลมันก็ยากในเบื้องต้นต้องต่อสู้กับกิเลสของเราต้องต่อสู้กับคนแวดล้อมด้วย คนแวนเราไม่เข้าใจทําไมเรารักษาศีลดูงโง่อเราจริงๆเราไม่ได้สู้กับเขาเราสู้กับใจเราเองเราเข้มแข็งพอที่จะรักษาไม่ศีนี้ยคนไม่เข้มแข็งรักษาไม่ได้นะเราเข้มแข็งรักษาศีน้องเราถัดจากนั้นเราก็ฝึกทุกวันเราทําในรูปแบบการทําในรูปแบบเราไม่เบื้องต้นไม่ต้องทํานานไม่ใช่ต้องทําวลาละหลายๆชั่วโมงนะเป็นตอนสักสิบห้านาทียี่สิบนาที ทำในรูปแบบทําอะไรบ้างเมื่งต้นก็ไว้พระก่อนคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ลูกศิษย์มีครูทำอะไรเราก็ไหว้ครูซะก่อนสวดมนต์ไหว้พระคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่ของเราเราไม่ใช่คนจรจัดอาาถาไม่มีพ่อมีแม่พวกเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเพราะงั้นเลยลก่อนเราจะภาวนานนะเรานึกถึงท่านซะก่อน อเนิ่นตึกแล้วนะตัดใจนั้นเรามาสังเกตใจเราถ้าวันนั้นใจฟุ้งซ่านทําความสงบนะถ้าใจฟุ้งก็ทําความสงบทําความสงบแบบไหนถ้าเราขี้มโมโหก็จเจริญเมตตาไปนะจเจริญเมตตาง่ายๆนะบริกรรมไปนะเมตตันจากสัพโรกัสมิงมาณนะสัมภเวญะปริยมานังก็ได้ยาวก็จำไม่ได้อยากจำไม่ได้เอาสั้นๆนะ เมตตาคูนังอรหังเมตตาเมตตาคูนั่งอรหังเมตตานบริกรรมไปเดี๋ยวใจจะรวมสงบนะพวกขี้โมโหบริกรรมใจจะเย็นลงเย็นลงแล้วกระแสความเมตตามจะออกไปนะเมื่ใจมันมีเมตตาขึ้นมาแล้วนะครูท่านเจ้าท่านพูดถึงอานิสงส์ของการเจริญเมตตาไว้ทั้งสิบเอข้อเนาะประมาณนั้นเยอะมากเลยนะไม่ตายด้วยศสตราวุธิไม่ตายด้วยยาพิษไม่ตายด้วยไฟอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์หน้าตาผ่องใสทำสมาธิง่ายนะแล้วเวลาจะตายอ่ะจะมีสติตัวนี้สำคัญนะเวลาจะตายมีสตนะินี่ถ้าเราเป็นพวกขี้โลภขี้โลภมากนะราคารุนแรงอนะไรนั้นก็พิจรารณาร่างกายเป็นปฏิคูณเป็นอาสุพะไปอย่างเงี้ยก็ข่มราคาได้ถ้าใจเราฟุง้งซ่านมากก็มารู้ลมหายใจนะ มารู้ร่างกายที่หายใจอ่ะหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปมาเห็นร่างกายหายใจไปการรู้เราหายใจเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ทั่วๆั่วไปรู้เป็นกรรมฐานทั่วไปใช้ได้ทุกคนอ่ะ้เห็นร่างกายเป็นหายใจใจก็สงบเนี่ยวันไหนใจเราฟุ้งซ่านนะเราก็มาทําใจให้สงบะตามจริตนิสัยเรามีราคามากแล้ก็พิจารณาสุภาษานะมีโธสามารถก็นะ จเจริญเมตตาไปหรือมากจริงๆเมตตาเอาไม่ไหวพิจารณาความตายอะไร น, นะใจโมห oh ะมากฟุ้งซ่านมากหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปใจก็สงบนี้วันไหนเราสงบแล้วนะเรามาฝึกให้จิตตั้งมัน่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยต่อไปจากการหายใจได้เลยเราจากการหายใจได้เลยเช่นเราเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูอยู่พอใจมันหนีพิคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันใจมันจะตั้งมัน่น หรือว่าเราเห็นร่างกายหายใจอยู่เราเผลอไปเพ่งลมหายใจเข้าไปจิตเคลื่อนไปที่ลมเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นนะจิตราตั้งขึ้นมาหรืออย่างเราดูนะเราเพียรเจริญเมตตาอะไรนะใจเรามีความสุขเย็นขึ้มาเรารู้ทันนะรู้ทันแต่ตัวนี้จะเล่นยากแนละ้เย็นแล้วบางทีมันพลิกเข้าอารูปฌานไปเลยนะจะมาเจริญสติขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นยากนั้นกลับมารู้ลมหายใจไปก็ได้นะ เป็นกรรมฐานที่เล่นง่ายๆโ ย, ยเว้นบางวันนะราคามันแรงก็พี่หนักความตายพิจารณาร่างกายบ้างนะวันไหนมันธรรมดาไม่รุนแรงมากก็เห็นร่างกายมันหายใจไปนะเป็นกรรมฐานกลางๆจากลมหายใจเนี้ยพลิกขึ้นทํากรรมฐานได้ทุกชนิดเลยนะอย่างจากลมเนี้ยเราพลิกมาเป็นกสินก็ได้กสินลมก็ได้นะกะสินแสงก็ไดนะ้อยากรู้อยากเห็นอะไรใช้กสินแสงนะออกรู้ออกเห็นข้างนอกนะแต่วันนี้ไม่แนะนํานำ พร้อมจะเพียนได้เสมอแหละเรามาหายใจเรารู้สึกตัวจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกนะี้ถ้าจิตเราเคลื่อนเรารู้นะจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิชนิดสงบเฉยๆแล้วแต่จะตั้งมั่นจิตจะถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเป็นคนดูวันไหนจิตเราตั้งมั่นแล้วเราจเจริญปัญญาแยกกายแยกใจไปเลยนะถ้าเราทําอานาปานสติอยู่เราเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูแยกออกจากเลย สุดปลายมันก็แยกชํานาญนะกายกับใจไม่รวมกันหรอกเราไปร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายอีกแล้วมันแยกออกไปหรือดูความรู้สึกก็เห็นความรู้สึกมันแยกออกจากใจสุขทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้สุขทุกขก์จิตเป็นคนละอั น, นหรือโลภโกรธหลงก็เห็นโลภโกรธหลงกับจิตเป็นคนละอันค่อยๆฝึกเงี้ยมันก็จะแยก แยกขันธนะ์แยากกายกระจแยกสุขทุกข์ดีชั่วออกจอากใจ ใ, ใจก็เป็นคนดูพอแยกขันได้แล้วต่อไปกอ็อย่าแยกอยู่เฉยๆนะดูขันแต่ละขันสแสดงไตรลักษณ์ไปสติะระลึกรู้กายก็ เ, เห็นไตรลักษณ์ที่กายสติะระลึกรู้เวทนาหรือสุขทุกข์นะก็เห็นไตรลักษณ์ที่เวทนาสติะระลึกรู้กุศลอกุศลนะเห็นไตรลักษณ์ของกุศลอกุศ ล, ลที่เกิดขึ้น ถ้าสติมีจา ร, รึกรู้จิตเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตามความปรุงแต่งทั้งหลายไปเห็นว่าทุกอย่างก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เราเนะนี่อยู่ในขั้นเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ได้นะเจวันเจเดือนเป็น7ปีนี้นับถอยหลังจะควรจะได้ธรรมะและ้วนะถ้าสมัยพุทธกาลคนบารมีมากคนกุรู คนในกุรุสกุรุรัตเนี่ยบารมีมากพระเจ้าสอนสติปัฏฐานท่าบอกเลยเจ็ดปีเป็นพระลรหันหรือพระนาคานะ่บางคนเจ็ดเดือนเจ็ดวันบางคนวันเดียวเป็นพระลรหันหรือพระนาคาของเราถ้าจิตเดินปัญญาถูกต้องแล้วนะเจ็ดปีได้โสดาภคบุญแล้วลนะนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเดินออกวันวันหนึ่งเราสนใจของข้างนอกมากกว่าตัวเองนะใครเล่นลายบ้างยกมือสิโอ้ โอหะยังไม่ปากพออันตรายมากเลยนะเนีย่ยเราตั้งสมาธินะจิตรวมกำลังจะเกิดอริยมรรคนะตึงใหม่นะอีกปีหนึ่งไปจะรวมพลังขึ้นมาไนดะ้อีกจริงเราไม่รู้นะว่าอินทรีย์เราจะแก่กล้าบารามีจะสมบูรณ์ตอนไหนจะบรรลุตอนไหนเราสร้างเครื่องทำลายสติของเราไว้ข้างข้างตัว เอาไว้สําหรับติดต่องานไม่เป็นไรนะเอาไว้คุยเพิร์เจอร์อย่าไปทำเลยฟุ้งซ่านมันเข้าขายครุกคลีมากไปยุ่งมากไปครุกคลียิ่งกว่าโทรศัพท์อีกใช่ไหมโทรศัพท์ยังไม่ครุกคลีเท่าอีไลเลยอะไรเนี่ยหุ่นไหวมากเลยนะลดลได้ดีนะเล่นแล้วหวังจะได้มรรคผลนิพพานด้วยดูตลอดเลยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดู เ, ดดเครื่องเดียวไม่พอดูสองเครื่องอย่างเงี้ยนะ เอามัเอาผลที่ไหนได้ใจก็แกว่งแว่งตลอดอะไรที่ทำเป็นเครื่องพลุงพลังใจนะล ด, ล, ดลงสบ้างลดลงไปค่อยๆฝึกนะแล้วก็ทีแรกรักษาศีลห้านะฝึกฝึกในรูปแบบฝึกในรูปแบบเนี่ยเทียบก็เหมือนทหารซ้อมรบแล้วก็ฝึกในชีวิตจริงเหมือนทหารออกรบ งั้นถ้าเราฝึกในชีวิตจริงสำเร็จเนี่ยนะถือว่าเก่งที่สุดนะถ้าทำกรรมฐานอยู่ในชีวิตธรรมดาได้เนี่ยเก่งที่สุดธรรมทักกรรมฐานได้ตอนนั่งอยู่หน้าพระนั่งสมาธิอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เก่งเหมือนกันแต่เก่งนิดหน่อยนะไม่เก่งมากหรอกพอออกมาเจอโลกข้างนอกแล้วก็เจิดกระเจิงนะต้องฝึกให้ได้นะฝึกรักษาศีลในรูปแบบก็ดูไป เบื้องตอนสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีวันหนึ่งแต่ต้องทำทุกวันนะใจจใะเข้มแข็งทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้กินหรอกแล้วเราบากทำนะอุปกรณ์สื่อสารเอาไปไว้ไกลๆเลยนะปิดมันจะได้ยิ่งดีตัวเนี้ยแมไม่อยากว่านะเสนียดจันไรของการภาวนาเลยนะครูบาอาจารย์เกลียดมากเลยรลกงตามมหาบัวนี่ถืเอเรียกเป็นเทวทั์เลยนะนั่นทาให้เราจิตเราเสีย งั้นไม่จําเป็นจะลดลดลงทําในรูปแบบนะไหว้พรสวดมนต์ไหว้ครูซะก่อนถ้าฟุ้งซ่านทําสมถะให้จิตอยู่ในรมันเดียวสงบนะถ้าสงบพอสมควรแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูและจิตตั้งมั่นแล้วฝึกแยกขันขันแยกแล้วนะก็ดูใจรักวันนี้จิตเราดีเลยไหว้พระเสร็จเราดูใจรักได้เลยเราก็ดูเลยไม่ต้องไปสตาร์ทที่ตั้งต้นนะแต่วันนี้ดูแล้ว ไม่ได้เรื่องเลยฟุ้งมาตลอดเลยนะทำความสงบอ่านข่าวการเมืองมากจิตมีโทสะเจริญเมตตาไว้ต้องรักทักษิณได้เท่ากับรักกํานันตนะอะไม่งั้นเราไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าหรอกแต่จะตามใครอะไรนี้จะเลือกใครนีใช้สติปัญญาแต่ความเกลียดนั้นะไม่เอานะไม่ได้เกลียดสมัยพุทธการพระเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดเทวทัตนะแต่ไม่ได้ให้ตามเทวทัตต้องรู้จักเลือก เลือกครอบกัละยาณมิตรไม่เลือกพบผลพานท่านสอนแต่ว่าใจเราไม่ได้รักคนนี้เกลียดคนนี้นะใจเราก็ใจเราก็สงบสูขได้นี่ถ้าทุกวันเราฝึกในรูปแบบเนียใจเราจะมีพลังออกมาอยู่ในชีวิตจริงเราจะมาฝึกง่ายชีวิตจริงเนี่ยจริงๆแล้วเล่นยากกว่าการฝึกในรูปแบบนะฝึกในชีวิตจริงๆนในชีวิตจัหวัดเนี่ยยากกว่าการทำในรูปแบบ เวลาเราทํากรรมฐานในรูปแบบเนี่ยเราลดอายตนะลงสี่ช่องเราไม่ได้มีตาดูหูฟังนะจมูกก็ไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นก็ไม่รู้รสอะไรเรากเพราะมันไม่มีอะไรกระทบมันซ้ํำซากมันเหลือแต่กายกับใจนั่งแล้วปวดทางกายนั่งแล้วยุงกัดนั่งแล้วร้อนอะไรเงี้ยนะหรือนั่งแล้วใจแข่งอยองนดแบอย่างนี้เหลืออยู่สองช่องคือกายกับใจก็ดูง่ายหน่อยโดยฉันชำนิชำนาญนนะักสติทํางานได้ชํานาญใจตั้งมั่นได้ชํานานนะเห็นไตรลักษณ์ได้ชำนานแนละ้ว ออกมาอยู่ในชีวิตจริงเอามาอยู่ในชีวิ ต, จ ร, าาวตจริงเนี่ยใช้6ทาง6อายตนะเลยนะแม่แน่จริงลำบากเหมือนกันแหละนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปไม่ต้องรักษามันมีตาให้เห็นรูปมีหูให้ได้ยินเสียงมีจมูกให้ได้กลิ่นมีลิ้นให้รู้รสมีกายกระทบสัมผัสมีใจให้มีนคิดแต่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะ เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดยินดีให้รู้ยินร้ายให้รู้นะเกิดกุศลให้รู้โลภโกรธหลงให้รู้รู้อยู่ที่เดียวคือรู้อยู่ที่ใจแต่ไม่เพ่งอยู่ที่ใจถ้าเพ่งจ้องอยู่ที่ใจใจจะนิ่งๆตามองเห็นรูปใจก็นิ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้ตามองเห็นรูปไปแล้วจิตมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ใช้ได้ตาเห็นรูปแล้วจิตเป็นกุศลอกุศลเนี้ยอย่างนี้ใช้ได้ถ้าตาเห็นรูปใจก็เฉยหูได้ยินเสียงใจก็เฉยไม่ได้กินหรอก แสดงว่าเพ่งอยู่ไม่ได้เดินปัญญานะงั้นมันยากนะในชีวิตจริงๆเนะี่ยมีคนไปที่วัดฝึกมาจากที่อื่นนะไปที่วัดแล้วเข้าไปครั้งแรกเขาไปถามคุณแม่ชีบอกคุณแม่ไม่เข้าใจเลยที่นี่เขาฝึกกรรมฐ า, านอะไรเดินไปเดินมายิ้มไปยิ้มมาหัวเราะไปหัวเราะมาเดนะี๋ยวก็คุยกันเนี่ยไม่เห็นจะฝึกกรรมฐ า, านเลยนึกว่าที่นี่จะนั่งสมาธินะ วัดสวนสันิตธรรมได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นสำนักกรรมฐานนึกว่าจะมานั่งสมาธนะิคุณแม่เลยตอบด้วยความเมตตาอเนี่ยเข า, เากำลังฝึกธรรมะขั้นสุดยอดอยู่ฝนะึกกรรมฐานในชีวิตจริงๆนะส่วนกรรมฐานที่ฝึกคนเดียวนะไปฝึกที่บ้านนะกลับบ้านแล้วไปฝึกเอานะอยู่ตรงนี้ฝึกในอายตนะหกอันเนี้ยฝึกรู้มันให้ได้ มีคนมาเข้าคอร์สเหมือนกันคอร์สข้างหลังเนี่ยมาเข้าคอร์สก็มีอยู่สองคนสงสัยว่าคอร์สนี้ทำอะไรไม่เห็นพี่เลี้ยงหน้านับสือสักคนเลยพวกวิยาก่อนะวิยาก่อนนะกกนนะเดินไปเดินมายิ้มไปยิ้มมานะไม่เห็นจะพานั่งสมาธิเลยหลวงพ่อเลยบอกว่าสำนักหลวงพ่อนะไม่ได้พาใครนั่งสมาธินะไม่ได้พาว่านั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันทาทุอย่างพร้อมกันไม่ได้สอนอย่างนั้น ทำไมไม่สอนอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้พุทเจ้าท่านสอนหลักอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเรานี่แหละพอพวกเรารู้แล้วพวกเราก็แยกย้ายกันไปโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนะโน่นถ้านัน่นภูเขาต่างคนต่างไปต่างคนต่างภาวนาทางใครทางมันทําไมไม่พาทําพร้อมกันจรินนี่ใส่คนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อจะพานั่งสมาธิตอนบ่ายโมงม่วงจะตายเลยบอกคนนี้ชอบเดินตอนบ่ายโมงไม่ชอบนั่ง อีกคนหนึ่งชอบหลับตอนบ่ายโมงนะเราบังคับทุกคนมันนั่งพร้อมกันนะไอ้พวกชอบหลับมันก็นั่งหลับไอ้พวกชอบเดินมันก็งโมโหหงุดหงิดนั่งอยู่ได้ลำคาญอย่างนีนะ้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางใครทางมันนะเรียนให้ได้หลักนะส่วนการทําในรูปแบบต้องทำแต่ไปทำเอาเนงนะทางใครทางมันเราจะนั่งรู้ลมหายใจก็ได้หรือจะทํากรรมฐานอะไรก็ดูเตามความเหมาะสมจริตนิสายคนไม่เหมือนกัน มาบังคับทุกคนทำเหมือนกันไม่ได้ผลหรอกงั้นไปทำเอาเองนะแต่บอกให้ทำนะไม่ได้ว่าไม่ให้ทำนะถ้าไม่ได้ทำนะไม่มีแรงอะ่ะพอแปะพอแปะหมู่นี้จิตไม่ค่อยมีแรงเอาเวลาไปทำอะไรไปลายหมดเ <laughs> สียหายฝึกนะฝึกเข้าแล้วธรรมะมันจะมาหาเรา ใจของเราเปิดรับธรรมะธรรมะก็เป็นความจริงเป็นความจริงนะบางคนทําสมาธิส่วนใหญ่ไปติดสงบนะเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพุทธรูปเพ่งไฟเพ่งอยู่งั้นจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็สมถะแค่สมถะเท่านั้นเองยังไม่ถึงจิตตั้งมั่นด้วยซ้ําไปในจิตตั้งมั่นแล้วท็ต้องมแยกขันเองแยกขันแล้วต้องดูขันแสดงไตรลักษณ์ ที่ทำกรรมฐานหลายสิบปีไม่ได้ผลก็เพราะเรื่องนี้แหละไปติดความนิ่งสงบเฉยๆว่างๆเห็นนอนเห็นนี่นะนั่งเห็นน้นเห็นนี่ไปเห็นอะไรก็สู่เห็นกิเลสไม่ได้นะกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆรถติดก็ฝึกได้นะอะมีส่งเงินบ้านไหมนี่ว่ามา นามสการครับหลวงพ่อครับอยากถามว่าจะต้องดูอะไรเป็นพิเศษอะครับดูร่างกายไว้เราหลงรูปเรารักรูปมากนะแต่ว่าตัวสําคัญต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนจิตตอนนี้มันตั้งนิ่งๆมันบังคับไม้นิ่งๆสว่างอยู่เฉยๆสบายสบายอยู่เฉยๆนะจิตมันยังอยู่ข้างนอกพยายามรู้ทันมันนะครับเข้ามารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆนะ เรากลับมาดูใจเหรียิมันจะไม่เข้าหรอกมันจะเด้งออกนะมันดีดออกดูออกไหม <c oughs> ถ้าจิตไม่ถึงฐานสมาธิไม่พอนะก็ต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นคือการรู้ทันว่าจิตมันกระจายว่างๆออกไปข้านจะมีแต่ความสุขนะจะสบายมีความสุขอยู่ได้เป็นปีๆเลยหล่ะหลวพ่อเคยเป็นหลงตามมหาบัวมาแก้ให้นะจิตไม่ถึงฐานแล้วนะดูไม่ถึงจิตแล้วเราก็รู้ทันนะ่าจิตมันอยู่ข้างนอก แล้วก็กลับมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆของคุณดูกายไว้มันรักกายมากนมัส ก, การกับหลวงพอ่อเมื่อสองปีที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าอย่าอย่าโลภ ก, ก็คืออยากได้ผลเร็วทีนี้ก็ปฏิบัติกระท้อนกระแท่นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยให้ไม่ได้บอกให้ทำกระท้อนกระแท่นนะปฏิบัติให้เต็มที่แต่ไม่หวังผลเหตุทาเหตุเต็มที่นะ แต่ไม่ได้โลภเอาผลไม่ใช่ว่าพอไม่โลบผลเลยไม่ทำเหตุนะนี่กระทั่งกระทนไม่ได้นะสู้ตายจนวันหนึ่งมันเล็ลึกถึงคำสอนหลวงพ่อชาบอกว่ า, วารู้อะไรก่อนให้รู้สึกอะไรก่อนให้รู้ตัวนั้นทีนี้ครับใช่ทีจริงๆเรารู้กายเพื่อเห็นอะไ ร, รเห็นใจรักนะ ร, รู้ใจเพื่อเห็นใจรักนะรู้สุขทุกข์ก็เพื่อเห็นใจรักรู้กุศลอกุศลก็เพื่อเห็นใจรักรเห็นอะไรไม่สาคัญหรอกถ้าเห็นไตรัก เขามัมเห็นนั่นเดียวกันเลยทีนี้พ อ, อรู้มาได้ระยะหนึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ขึ้นมาจะนอนต่อปรากฏว่ามันดูกายของมันเองเอแล้วก็ เ, เห็นกายเป็นแสงสว่างเป็นคล้ายๆคนเข้าเฝือกเป็นลูกแขนลูกขาเป็นแสงสว่างแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยมีก้อนกลมๆ ม, มันพยายามจะดิ้นแล้วก็พุ่งออกไปข้างหน้าเออแต่แลแต่แล้วมันก็เด้งกลับมาแล้วก็ แล้วก็มืดไปเลยว่าตากมันหมุนอยู่งั้นแหละทีนี้พอหลังจากวันนั้นใจมันก็ดูมันดูกายของมันเองเวลาจะรู้สึกอะไรก็ตามมันจะเห็นกายอ่อนแล้วมันก็จะเห็นจิตเห็นอะไรขึ้นมาตามใช่แล้วก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมนะพอหลังจากนั้นก็คือพอทําอะไรขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนเบาๆก็คือเหมือนกับอยู่อยู่มันก็ระลึกถึงกายขึ้นมาเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราทําอะไรขึ้นมาต้องระวังกันเดียวแหละอย่าไปคพองจิต ยังติดสมาธิอยู่ครับะการที่เราเห็นมันแผ่แสงออกมาได้อะไรได้เป็นเรื่องของสมาธินะครับมันไม่ใช่กายจริงๆกายจริงไม่ได้เปล่งแสงครับนั้นเรารู้จิตมันค้างสมาธิอยู่ขนาะนี้มันยังติดสมาธิดูออกไหมต้องปล่อยนะถ้าติดสมาธิเราจะไปพรมโลกไม่ไปนิพพานครั บ, รบปล่อยซะใจถึงถึงก็วันนี้ ช่วยกันถนอมธาตุกันหลวงพ่อนะครับเลส่งกันบ้านน้อยนิดหนึ่งโอกาสสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลวงชินแห่งนี้นะครับกล่าวคําถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปรามโมทปรามโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตลอดสิ้นกาลลนานเทินยะถ า, าวะริวะฮาปุราภริปุรเรนตีสาคารังเอวเมวาอิตโตทินังเปตาณังอุปการปติอิชิตังปฏิตังถุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีโยวิวัชฉันตูสัพโรโครโวินัสตู มาเตปวัตวันตระโยสุขีที่าคาโยโกภาะอภิวาธนาศีลิสนิทจังุทาปจายโนจตตาโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุเดินหน้าหลวงพ่อไม่ได้มานะพฤสภามาเทศอีกครั้งหนึ่งเทศแล้รไปยุโรปแล้ว